จาวนี้ก็การนิมนต์พระอาจารย์วัฒชัยแสดงธรร ม, อมข อ, อนอบน้อมต่อคุณพรัตนะไตรโอกาสเพื่อนสัธรรมิกของท่านเจริญธรรมมมชีและญาติธรรมทุกท่าน ก็นั่งสบา ย, บายๆเนาะจะนั่งทําความรู้สึกตัวไปด้วยก็ได้จะสร้าง่างหวะหรือทําความรู้สึกตัวอะไรก็ได้เนาะสบายๆนะฟังเล่นๆนะเอาความรู้สึกเป็นเครื่องรู้ก็ได้เนาะการฟังเป็นเครื่องรองก็ได้ <c oughs> เราก็สังเกตดูไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความคิดมากมายเนาะ ตั้งแต่สมัยไหนมาก็แล้วแต่จนถึงทุกวันนี้นะถ้าเราสังเกตดูเราจะคิดอยู่ตลอดเลยนะเกือบทั้งวันนะคิดนู่นคิดนี่เกือบทั้งวันใช่ไหมแม้แต่กลางคืนเราก็คิดเนาะเป็นความฝันนะมันเป็นความคิดที่เรียกว่าเราก็อยู่ในความคิดนั่นแหละใช่เราจะรู้สึกว่าเราก็คิดไปเรื่อยๆเราถ้าคิดเรื่องที่เราชอบใจเราก็จะไปช่วยเขาคิด ไปเรื่อยๆนะคิดไปไปเที่ยวไหนเที่ยวไหนแล้วก็จะคิดตามไปแล้วโอ้สนุกจังเลยนะได้ดูวิวอย่างนู้นอย่างนี้นะแล้วก็เจอเพื่อนนะคุยกัน ส, สนุกสนานกันทั้งวันเนี่ยรู้สึกมีความสุขจังนะแต่บางทีคิดไปแล้วถึงเรื่องเก่าๆโอ้เรานะ ไม่น่าไปทําแบบนี้เลยนะทำแล้วทำแล้วไม่สบายใจนะทําแล้วนะเราก็มีความทุกข์ต่างๆเนะเาะบางทีก็ทะเลาะกับเพื่อนบ้างใช่ไหมโกรธกับเพื่อนบ้างนะพอนึกถึงเขาก็โอ้ไม่สบายใจเนาะเลือคิดไปถึงเรื่องคนก็มาด่าเรามานินทาเรามาว่าเราใส่ร้ายเราต่างๆเราก็รู้สึกไม่สบายใจนะมันก็คิด อยู่เรื่อยๆนะตลอดเวลาคิดเรื่องรู้นเรื่องนี้ไปนะแต่เราก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรกับเขานะแต่มันมันก็รู้สึกว่ามันก็มีแต่ความคิดแล้วก็สุขบ้างทุกบ้างอะไรทั้งหลายแหลนี่แหละนะตรงเนี้ยจริงๆแล้วนะมันมันเป็นสิ่งที่เราหลงไปนะเราหลงไปทับจะตลอดเวลาเลยนะสิ่งเหล่านี้มันก็นำความสุขบ้างนำความทุกข์บ้างมาให้เรานะ มันเป็นการที่เรียกว่าจิตเราปรุงแต่งบรรอากาศต่างๆอันนี้นะมันมันเป็นเหตุแห่งการสร้างภพสร้างชาติเนาะจิตที่มันมีแต่ความหลงเนี่ยมันนำให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดนะบภพชาติไม่ท้วนนะเพราะก็ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆเนาะการที่ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆนั่นแหละเป็นการสร้างภพสร้างชาติในตัวแล้วก็ เ, เรียกว่าเป็นอนุใสคิเลสนะเราจึงมีอนุใสติดมาจากสมัยไหนก็ไม่รู้ตั้งเยอะแยะใช่ไหม อยู่ในใจของเรานี่แหล ะ, ะเราก็เป็นคนขี้ฉาบ้างใช่ไหมขี้น้อยใจเป็นคนคิดมากนะขี้โกรธขี้หงุดหงิดต่างๆแล้วเนี่ยเขาเราียกเป็นนักลยใสที่ตามมาตั้งแต่สมัยไหนเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราไปสร้างมันเอาไว้เองใช่ไหมรู้ไม่ทันโอ้ความโกรธมันไม่ดีนะนะความโกรธไม่ดีเราก็ไม่รู้เราก็เป็นคนขี้โกรธนะ เป็นคนอิจฉานะเราก็ไม่รู้มันไม่ดีแล้วก็เป็นคนขี้ฉาหรือแม้แต่เป็นคนขี้หงุดหงิดเราก็รู้ว่ามันไม่ดีก็เป็นคนขี้หงุดหงิดนะหรือเราบางทีก็เป็นขี้งอนใครทําอะไรเราไม่ชอบใจเราก็งอนจะริงๆแล้วมันก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งนั้นเนาะเนี่ยก็เรียกว่าพวกเนี่ยเมื่อเราทํำบ่อยๆนะมัน ia, มันก็เป็นวิบาสนะเมื่อเราทํากรรมเหล่านี้มันก็เป็นวิบาส วิบากมันก็ส่งผลให้จิตเราเนี่ยสะสมวิบากที่ไม่ดีไว้มันก็ส่งผลให้เรามีแต่ความทุกข์ต่างๆ ต, ต, ตามมาเนาะแนวเขาเรียกว่าเป็นวิบากกรรมนะที่เรามีกิเลสจากการที่เราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆเนาะเป็นกินเลสนำามาเรามีตัณหาความโลภความโกรธความหลงนะแล้วมันเราก็ไปตั้งกรรมก็คือมีอารมณ์ต่างๆเหล่านี้แนหะชอบใจไม่ชอบใจ เราก็สร้างเป็วิปาะให้เราต้องรับผลในตรงนั้นต่อมานะมันจึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ว่าเราจะต้องอมีความทุกข์ในสังสารวัตไปเรื่อยๆเนอะครั้นี้นี่เราสังเกตดูได้ไหมว่าที่เราทำเมันก็คือมันหลงไปในอะามต่างๆครั้นี้วิธีการที่จะไม่หลงมันจะทําอย่างไรเนะีเมื่อกี้เราก็ได้สวดสติปัฏฐาน4ี่ไปแล้วเนอะเรื่องกายเวทนาจิตธรรมแต่นี้ที่สวดไปมันก็เป็น การคัดมาเฉพาะอกาสอย่างเดียวนะเพราะทั้งบท ม, มันก็จะยาวมากเนี่ยพระพุทธเจ้าให้กลับมารู้อะไรใช่ไหมกลับมารู้ในอบททั้ง4ก่อนเนอ ะ, อะยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้วเดินนั่งก็รู้นั่งนอนก็รู้นอนเนี่ยมันจะไปแก้ความหลงได้เนอะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่มีอบทมากไปแบบนี้หรอกเราก็มียืนเดินนั่งนอนนี่แหละใช่ไหมการนี้ตรงนี้เราทําเพื่ออะไรเพื่อให้เราอยู่กับปัจจุบันนั่นเองใช่ไหม คือความคิดนะมันเป็นสิ่งที่เรลว่ามันจะไหลเข้าไปในอดีตบ้างนาค้ดบ้างหรือให้ปรุงแต่งไปลดต่างๆบ้างตรงนี้เราไปห้ามก็ไม่ได้นะแต่ตาบใดที่เขากลับมารู้ในขณะปัจจุบันว่าเรากลังทำอะไรอยู่นะยืนเดินนั่งนอ น, นรู้ไหมใชม่เพราะเราอยู่ในบทใดบทหนึ่งแน่นอนใช่ตอนนี้เรารู้ไหมว่าเรากำลังนั่งใช่ไหมเพระรู้กำลังนั่งปุ๊บโอ้เนี่ยมันเป็นปัจจุบันแล้วนะอ่าเป็นปัจจุบันแล้ว ความรู้นั่งเป็นปัจจุบันแล้วใช่ไหมคือความเป็นปัจจุบันนี่มันเกิดจากในขณะที่เป็นความจริงในขณะนี้เรากลับมารู้ไหมกำลังทำอะไรอยู่เมื่อเรารู้ตรงนี้ปับ๊บสติเมื่อเกิดขึ้นมาทันทีอะไรมื่จะลึกได้โอ้ตอนนี้กําลังนั่งอยู่น ะ, ะกำลังนั่งอยู่ปุ๊บเมื่อเราลึกได้ปุ๊บความคิดมันก็ดับไปนะดับไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันเป็นความหลงใช่ไหมแต่เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นมีสติปุ๊บมันก็ตัด ความหลงได้ก็คือกลับมารู้ในปัจจุบันมันก็รู้เออขณะนี้กําลังนั่งนะนะเพราะฉะนั้นความคิดมันก็เลยดับไปนะหรือมันไม่ดับไปเราก็รู้ทันโอ้แม้แต่ขณะนี้กําลังคิดอยู่เราก็เริ่มเห็นแล้วเออกําลังคิดอะไรอยู่ก็เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคิดถึงบ้านเราก็เริ่มเห็นแล้วนะแต่ไม่ไม่ตก็หลงไปยาวใช่ไหมว่าไม่รู้กําลังคิดอะไรเนี่ยคนนี้ก็ไม่มีพรามก็ถามพระเจ้าว่า ท่านประบติร่วมความทุกข์ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าตถาคตยืนเดินนั่งนอนพราหมณ์ก็ยิ้มเยะบอกว่าชาวบ้านเขาก็ทําเช่นนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เหมือนกันตถาคตยืนก็รู้ยืนเดินก็รู้เดินนั่งก็รู้นั่ ง, น, งนอนก็รู้นอนเนะาะพราหมณ์บอกว่าโอ้เช่นั้นชาวบ้านเขาก็ไม่เหมือนหรอกมันก็ทําก็ไม่ได้รู้เช่นนั้นเนาะ ตรงเนี้ยมันก็กลับมารู้แค่นี้เท่านั้นเองนะมันก็สามารถที่จะร่วงความทุกข์ได้แล้วนะความทุกข์ในขั้นต้นน่ะคือความทุกข์ในความคิดนั่นเองนะเมื่อเรารู้เท่าทันความคิดกระดับไปเ่ยเพราะฉะนั้นความทุกข์จากความคิดมันก็เลยดับไปด้วยใช่ไหมตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราง่ายๆกลับมารู้เรากําลังนั่งอยู่เท่า น, นั้นเองนะมันแค่เนี้ยง่ายๆถ้าเรารู้กําลังนั่งนี่ก็ปฏิบัติธรรมจบแล้วใช่ไหมเราปฏิบัติธรรมในถูกต้องแล้วด้วยจบแล้วเพรเราอยู่ปัจจุบันได้ใช่ไหเอ่าระกกบอต่อไปว่า เหลวซ้ายแลกวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขนทรนะงจีวรสังฆาตนะิดื่มลิ้มกินเคี้ยวอุจจลระปัสสวะก็ให้เรารู้สึกตัวในการกระทำเช่นนั้นนะตรงนี้ก็คืออบทย่อยต่างใช่ในการที่เรียกว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแปรงฟันอุจจระล้างหน้านะใส่เสื้อผ้านะเดินไปเดินมานะ รับประทานอาหารถูบ้านกวาดพื้นซักผ้าหรือพับผ้าห่มอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําในจิตประจำวันเราก็ให้กลับมารู้ในตรงนั้นเนาะตรงนี้เป็นการที่เรียกว่าให้เรารู้ในอีกบทย่อยต่างๆก็คืออบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอนอบทย่อยงนใดงานทําจิตประจำวันเราต่างๆนะก็กลับมารู้ในขณะนี้เท่านั้นเองใช่ไหมตอนนี้ถ้าบางบางท่านก็พลิกมือไปพลิกมือมา ถ้าเรารู้สึกตัวในขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่นะอันนี้เป็นการประวัติทําแล้วน ะ, ะเราก็กลับมารู้สึกตัวกําลังทําอะไรอยู่นะหรือบางท่านอาจจ ะ, ะสร่ายังวะหรือคลึงนิ้วก็กลับมารู้ในตรงนี้เท่านั้นเองนะเมืม่อเราตรงนี้ปุ๊บเราจะสังเกตได้โอ้ความคิดนะมันมันไม่ได้ยาวแล้วนะมันก็จะสั้นลงน้อยลงเพราะว่าใจก็มีงานทําแล้วใช่ไหมใจเนี่ยเขาเมื่อเขาไม่มีงานทําเขาก็เตลิดเปิดเปิงไปเรื่อยๆใช่ไหม เหมือนเหมือนกับวัวใช่ไหมวัวนะมันก็เตลิดเปิลเปิงนะคนเอาบัวไปเลี้ยงในทุ่งเนี่ยมันก็ไปไกลนะไกลไกแต่คนนี้ถ้ามีเชือกขูบวัวไว้หน่อยมันก็ไปไม่ไกลนะมันก็อยู่แถวๆนั้นนั่นแหะแถวๆเชือกก็คือมันมันมีหลักเป็นเครื่องอยู่ให้วัวมันไปไม่หากินไก่หรือเด็กก็แล้วแต่นะเราปล่อยเด็กก็ไว้มันก็เล่นอะไรของเขาเที่ยวนู่นเที่ยวนี้ไปทั้งวันบางทีก็หาตัวไม่เจอใช่ไหม ถ้ามีของเล่นให้เด็กอยู่กับบ้านใช่ไหมติ๊กซอสก็ได้อะไรก็ได้ที่เล่นแล้วเออเขาก็มีความสุขเขาก็อยู่กับบ้านได้ใช่ไหมใจเราก็เหมือนกันนะให้เขากิมีเครื่องรู้เครื่องอยู่ให้เขามีความสุขกับการรู้สึกตัวเนี่ยเขาก็มีเครื่องอยู่เขก็ไม่ได้ไปไกลเขาก็กลับมารู้สึกตัวได้บ่อยๆนะตรงนี้ก็เรียกว่าการที่กลับมารู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นตัวรู้เกิดขึ้นนะมาตัวรู้เกิดขึ้นตัวลงมันก็น้อยลงน้อยลงแล้วมันก็หมดไป หรือมันก็มันก็ดับไปนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คือปัจจบันธรรมนั่นเองใช่ไหมปัจบัติธรรมเนี่ยเป็นภาวะหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความจริงในขณะปัจจุบันนี้ใช่ไหมเรานั่งเราก็ไม่ไดงคิดว่าเรากําลังนั่งใช่ไหมแต่มันก็คือความจริงที่เราไม่ได้อาศัยความคิดแล้วมันก็เป็นแค่ความรู้เท่านั้นเองนะหรือเราคลึงนิ้วพลิกมือคว่ำพลิกมือง่ายเราก็ไม่ไดงคิดว่ากําลังพลิกกําลังพลิกกําลังคึงนิ้วแต่ว่ามันคือความจริงใช่ไหม หรือแม้แต่การได้ยินเสียงเราก็ไม่ต้องคิดว่ากําลังได้ยินดินหนอนะไม่ต้องใส่ความคิดเลยแต่เป็นความจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นความจริงนั่นก็คือเป็นความรู้เฉยๆเท่านั้นเองนะอาศัยความรู้นี่แหละเข้ามารู้นะไม่ต้องไปคิดนะเพราะฉะนั้นเราจยงออกจากความคิดได้กลับมารู้แทนนะกลับมารู้แทนนะเมื่อความรู้ตรงนี้เกิดขึ้นบ่อยนะมันก็จะไปขย่าทัารู้ได้ใช่ไหมซึ่งมันก็ต่างกันที่เรียกว่าอาศัยความคิด แต่มเพราะความที่เรารู้นี่แหละมันเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งที่เรากลับมารู้โดยไม่ต้องคิดนะพระลพเทียงก็บอกว่าให้เห็นความคิดแล้วก็ไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดด้วยนะเมื่อใดที่เราเริ่มเห็นความคิดนั่นแหละเราจะรู้สึกว่าโอ้ตอนนี้นะเราก็ไม่เข้าไปในความคิดเราก็เห็นมันใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่ามันมันเป็นสภาวะหนึ่งที่มันรู้แทนจากเมื่อการมันหลงมันเข้าไปในความคิด แต่เมื่อเราเห็นความคิดมันก็ไม่เข้าไปในความคิดนะมันมันก็เลยต่างกัน <c oughs> ใช่ไหมเมื่อก่อนเราไม่รู้สึกตัวเราจะคิดไปเรื่อยๆเลยคิดไปเรื่อยๆอันนั้นเราก็ไปในความคิดนะคิดถึงบ้านโน่ตอนนี้ที่บ้านกําลังทำอะไรอยู่น ะ, ะกําลังใส่บาตนะกําลังไปซื้อกับข้าวนะกำลังจะไปทํางานกําลังขับรถกําลังดูโทรทัศนะ์กําลังทำํทำนู่นทํานี่ก็คิดไปเรื่อยๆ อันนี้ยเราเข้าไปในความคิดแล้วใช่ไหมแต่เมื่อเรากลับรู้สึกตัวปุ๊บเราเห็นโอ้ตอนนี้กำลังคิดถึงบ้านแล้วนะเพราะเรารู้ปุ๊บจริงๆมันกระดับไปเลยนะมันไม่แต่มันไม่ดับก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ว่าเออกำลังคิดอยู่แล้วนะกำลังเห็นความคิดโอ้ตอนนี้เห็นที่บ้านกำลังขับรถไปทำงานนะมันเริ่มเห็นความคิดแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปในความคิดนะั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่ารเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วใช่ไหมในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ไปห้ามความคิดมันต้องไม่คิดนะต้องหยุดคิดนะน่ะ เราห้ามมันไม่ได้หรอกใช่ไหมเราเราห้ามมันจริงๆมันไม่ได้เพราะความคิดมันมันเป็นเรื่องที่มันการทํางานของจิตใจเองจะไปห้ามเขาได้อย่างไงใช่ไหมอ่าตรงเนี้ยเขาไม่หน้าที่คิดก็คิดไปก็ไม่ได้ห้ามเขาแต่ในนาฏเขาคิดเนี่ยเรารู้ทันไหมใช่ไหมรู้ทันไหมตัวนี้สําคัญมากกว่าใช่ไหมเพราะนัการรู้ทันก็คือเราก็ต้องมีเครื่องอยู่อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมอ่าเช่นความรู้สึกตัวเนี่ยยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิด ขูดแขนเหยียดแขนก้มเงยอุจละปัสวะต่างๆเราเนี่ยก็คือกลับมารู้สึกตัวนั่นเองนะพอ ร, รู้สึกตัวเราก็จะเห็นความคิดได้เพราะนี่มันเป็นสตินั่นเองความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นเหตุให้เราเกิดสตินะเราอยู่ปัจจุบันปั๊บรู้สึกตัวพลิกมือไปพลิกมือมามเมื่อความรู้ตัวปุ๊บมันก็จะอยู่กับปัจจุบันได้เองนะมันจะรู้ออขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่นะออนี่เราเป็นสติแล้วนะคือการระลึกได้กาลังทำอะไรอยู่ มีความคิดแล้วก็ระลึกได้กําลังคิดไปแล้วเนี่ย <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าใจมีเครื่องอยู่ก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองใช่หไหม <c oughs> มันก็ให้จิตเขามีงานทําในตรงเนี้ถ้าเป็นมันก็เป็นวิหารธรรมอเป็นเกาะเป็นหลักเป็นบ้านให้จิตเขาอยู่ในตรงนั้นนะเมื่ออยู่ตรงนี้ปั๊บมันหลุดไปปั๊ บ, รบเรารู้ทันมันก็กลับไม่ได้เร็วขึ้นนี่แหละก็เรียวกว่าเป็นวิหารธรรมนะมันจะไม่ไปหลุดไกลๆว่าสมัยก่อนใช่ไหม เพราตรงนี้เราก็เลยสร้างวิหารธรรมขึ้นมาก่อนตรงนี้ตามที่พระเจ้าได้บอกไว้แล้วนะยืนเดินนั่งนอนก็ให้เรารู้สึกตัวนะหรือว่าทํำอิบณต่างต่างอิบณ ย, ย่อยหลายก็กลังรู้สึกตัวอันนี้เป็นเครื่องเรียกว่าให้เราอยู่กับปัจจุบัตนนั่นเองใช่ไหมเมื่ออยู่เวลาปัจจุบันแล้วความคิดที่มันเข้าไปในอดีตอนาคตหรือไปปรุงแต่ต่าง ๆ, ๆเราก็รู้ทันนะตรงนี้เป็นสภาวะสําคัญในเบื้องแรกให้เราอยู่ปัจจุบันก่อน แต่ถ้าต่อต่อไปหลวงพ่เ no ท know, ียมบอกว่า <Well>, ป mm ัจ hmm. จุบันก you know you know, so ็ไม่ได้ไปติดนะไม่ต้องไปติดอะไรทั้งหมดรู้แล้วก็ผ่านเลยรู้แล้วผ่านเลยไม่ต้องไปติดปัจจุบันติดปัจจุบันก็ไปเพ่งกันอยู่ปัจจุบันเด็ก็ไม่ถูกต้องนะรู้แล้วก็ผ่านนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือใหม่ๆแล้วก็มีความตั้งใจในการอยู่ปัจจุบันก่อนใช่ไหมตั้งใจก็ตั้งใจเล่นๆสบายๆไม่ต้องไปคอยเพ่งเขารู้แล้วก็ผ่านเลยรู้แล้วก็ทิ้งเลยไม่ต้องไปคอยอยู่กับปัจจุบันแต่ต้องอาศัยไปบันเป็นเครื่องรู้ไปก่อน มาจิตเราก็ได้มันมันมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากความที่มันเป็นความหลงหรืออย่างนึงก็อาจจะพูดว่าก็คือความเคยชินนั่นเองเข้ามาความเคยชินเช่นเมื่อก่อนเราเดินไปทํางานก็จะคิดนู่นคิดนี่เดินไปสมมติเราไม่รู้ว่าเราเดินนะจะไปทํางานทันไหมรถจะติดไหมเย็นนี้จะไปกินข้าวที่ไหนดีนะเพื่อนเราจะโทรมาตอนไหนมันมันไม่ได้อยู่กับการเดินเลยนะแต่ว่า เราเรากลับมารู้ใหม่เออขณะนี้อยู่กับการเดินปุ๊บนี่มันมันจึงเปลี่ยนนะความเคยชินความเคยชินเพราะเราเดินแล้วไม่รู้เราเดินนั่นแหละแต่เป็นความเดินด้วยการเคยชินเพราะมันเดินอยู่แล้วมไม่ต้องอาศัยความคิดแล้วมันเป็นความเคยชินเดินไปเพราะมันก็เลยหลงไปแต่เมื่อไรที่เรากลับมารู้ปับ๊บมันก็คือเป็นความเคยชินมาเป็นความรู้นะความเคยชินหรือความหลงนั้นก็ดับไปใช่ไหม หรือเราแปลงฟันนะแปลงไปบางทีแปลงต้อง 3- าครั้งแต่ก็ไม่คเคยรู้เรากำลังแปลงฟันเพราะมันแปลงในความเคยชินก็กลับมารู้สึกใหม่เออขณะนี้กำลังแปลงฟันแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้มันก็เป็นการแก้ความเคยชินนะเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติธรำนี่ส่วนหนึ่งคือเป็นการแก้ความเคยชินจากการเราทำอะไรโดยอัตโนมัติอัตโนมัติก็คือมันไม่ต้คิดแล้วนะมันเป็นการที่เราเราก็ทําไปก็คิดไปนั่นแหละ แต่ไม่รู้กําลังคิดนะมันก็เป็นความเคยชินแต่กลับมารูบใหม่เออกำลังแปลงฟันกําลังเดินแค่เนี้กลับมาอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะตรงนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าพระวิชาก็ได้ทรงตัดไว้แล้วในตรงนี้นะที่เราสวดไปแล้วนะั่นแหละมันก็เป็นการแก้ความเคยชินให้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองเนะตรงตรงนี้เมื่อเรา <c oughs> เมื่อเราทํำเรื่อยๆนะเราจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ให้จิตกสงบใช่ไหม อบางคนก็ไม่เข้าใจนะทําแล้วก็ให้จิตสงบก็มีนะอ <c oughs> จริงๆแล้วจิต ไ, ไ, ไม่สงบหรอก <c oughs> อยู่ได้ว่าเรารู้ทันก็มากกว่าหรือเปล่า <c oughs> เพราะ้การที่เราจะรู้ทันเนี่ยก็คือใอส่ที่เรกว่าเราขย่าท่านรู้นั่นเองใช่ไหมจิตของเราเนะมันมันจะมีหน้าที่คิดอยู่แล้วมันแสดงออะไนด้านความคิดแต่ว่าจริงๆแล้วจิตมันไม่ใช่มีหน้าที่คิดหรอกมันมีหน้าที่แค่รู้เท่านั้นเองใช่ไหมการที่มันคิดนะี่ยคือมันทํางานโดยระบบสมองของเขาเอง แต่จิตนี่เขาก็รู้ทันรู้ทันการที่เขารู้ทันแต่ละครั้งนั่นแหละเป็นการทําให้จิตเขาตื่นตัวขึ้นมาเนาะจิตมันก็จะเริ่มตื่นรู้ตื่นรู้ได้บ่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนคิดไปต้องเยอะแยะแต่เราไม่รู้มาก็หลงเข้าไปแต่ตราบใดที่มีการคิดมากอย่างเก่าแต่จิตเริ่มรู้ได้บ่อยขึ้นนั่นแหละจิตจะเริ่มตื่นตัวเพราะว่าจิตมันเป็นธาตุรู้นะมันเป็นพระที่มันมีความรู้อยู่นะมันมีหน้าที่รู้เท่นานั้นมันไม่มีหน้าที่คิดอะไรเลยมันไม่น่าที่รู้ อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใช่อืมครั้นี้หลวงพเทียงเลยบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะเพราะฉะนั้นเราเราจึงไม่ไปห้ามความคิดเขานะแต่เขาคิดนะ่ะคิดร้อยครั้งเรารู้ทันไหมนะคิดร้อยครั้งเนี่ยเรารู้สักห้สบครั้งเนี่ยก็เรียกว่าจิตเราเริ่มตื่นรู้แล้วใช่ไหมตื่นรู้เออมันคิดไปแล้วนะเราติตเริ่มตื่นรู้นะมันเป็นการเขยา่าทารู้ไปเรื่อยๆนะ ในที่สุดจิตก็จะเกิดมีความทักษะในการรู้ทันความคิดได้บ่อยขึ้นได้บ่อยขึ้นนะตรงนี้มันเหมือนกับเราเราฝึกให้จิตก็ตื่นรู้ได้ใช่จิตก็เมื่อเขาสามารถที่จะรับรู้ในความคิดต่างๆได้เนี่ยต่อไปก็จะรู้ทันอารมณ์ต่างๆได้ด้วยใช่เพราะอารมณ์ต่างๆนี้เช่นความโกรธมันก็ใส่เกิดจากความคิดนี่แหละบางทีนะใครก็มาด่าแล้วนะด่าแล้วปุ๊บเนี่ย ถ้าเรารู้เฉยๆนะไม่ได้คิดอะไรนะตังเก็บมัเราก็ไม่ได้โกรธหรอกด่าก็ด่าไปเราก็รู้เฉยๆเราไม่ได้คิดอะไรมันก็ไม่โกรธนะแต่เขามาด่าเราปุ๊บเราก็คิดโอ้ด่าทําไมเรื่องแค่นี้ทำให้ต้องมาด่าเราเราไม่ได้ทําผิดสัหน่อยด่าได้ยังไงหรือไม่รู้หรือว่าเราเป็นใครนะมันก็จะโกรธขึ้นมาทันทีเลยนะโกรธปุ๊บเลยหรือเราขับรถอยู่นะมีใครมาปาดหน้าเราเราก็รู้เฉยๆปาดหน้าก็ปาดหน้าไปก็ไม่เป็นไรนะ แต่ปาดหน้าปุ๊บเราไปคิดโอ้ปาดได้ยังไงเนี่ยนิสัยไม่ดีนะนิสัยไม่ดีแย่เมื่อกี้ไม่เบกกรกเคชนไปแล้วนะดูถูกเรานี่หว่า <c ười> คิดปุ๊บมันก็โกรธเลยใช่ไหมนี่มันไม่ได้รู้เฉยใช่ไหมเพราะสังเกตดูไหมว่าความโกรธก็เกิดจากความคิดนั่นเองนะอ่าไม่ว่าใครก็้ามาทำไม่ดีกับเราหน้าบึ้งกับเราทํากิริยาอะไรถ้าเรารู้เฉยล้วก็ไม่โกรธหรอกแต่เมื่อเราโอ้ทำไมทําหน้าอย่างนะี้นะมันไม่พอใจเราอ่า มันดูถูกเรานี่ว่าเป็นช่างคนก็ไล่ตีกันเลยใช่ไหมเ น, นี่ยมันมาดูถูกเราทั้งๆก็ไม่พูดอะไรเลยเราไอคิดเองนะกิริยางเงี้ยเราไม่ชอบใจทำเงมาดูถูกเรานี่เป็นความคิดตรงนั้นเลยใช่ไหมตรงเนี้ยใช่ไหมเมื่อเราสามารถรู้ทันความคิดได้เราจะเห็นว่าตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มมีความคิดแล้วเนี่ยมันเริ่มไปปรุงแต่งแล้วนะมันเกิดความขัดเคืองเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนั้นเราไม่เห็นนะ มันต้องโกรธแล้วก็เห็นโอ้ด่าเราเราด่าเขากลับนี่มันโกรธแล้วเนี่ยมันกว่าจะรู้ทันมันก็ช้าไปแล้วนะมันโกรธไปแล้วแต่ตอนหลังเออจิตมันงุนงิดล้วก็เริ่มเห็นแล้วเออมันหงุนงิดนิดนึงเริ่มเห็นแล้วมันก็เหมือนยังเก่านะมันก็สมัยก่อนแต่เราเริ่มเห็นแล้วมันงุนงิดแล้วนะเนี่ยแสดงว่าจิตมันมีสติไวขึ้นใช่ไหมมันไวขึ้นแล้วนะคือมันเริ่มเห็นความคิดมันก็เริ่มเห็นความหงุนงิดได้เร็วมันไม่ได้เข้าถึงความโกรธสมัยก่อนใช่ไหมส่วนความโกรธเป็นเลขห้านะ ใครด่าล้วปุ๊บเราก็โกรธเลยเนะี่ยมันเป็นเลข5้านะบางทีมันเกิดเลข5้านะเลข6เลข7ดเลข8ดนี่ต่อยตบตีเตะทำร้ายยิงกันตายมันมันขึ้นถึงเลขสูงๆไปเลยนะแต่ตอนหลังเราเริ่มมีสติแล้วนะมันก็เริ่มเห็นเลขหนึ่งสสก่อนใช่ไหมเขามาดาเราย่งเก่าเนีแต่เนะมื่อก่อนที่เราโกรธแต่เราเริ่มเห็นแล้วมันเริ่มหงุดหงิดแล้วนะเริ่มขัดเคืองเริ่มไม่พอใจมันมันเริ่มเห็นเลขหนึ่งสสาก่อนเมื่อเห็นปุ๊บสติตัวนั้นมันไวใช่ไหม มันเห็นจะกการมันเห็นความคิดได้มันเห็นอารมณ์ต่างๆเล็กๆเหล่านี้ได้ก็โอ้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยละไปมันก็เลยดับได้เร็วใช่ไหมดับได้เร็วมากเนียตรงนี้มันสําคัญมากนะเพราะเราเห็นบ่อยๆปุ๊บจิตจะมีทักษะในการรู้เท่าทันอารมณ์มันเห็นละเออกำลังโกรธนะเมื่อก่อนมันไม่เห็นโกรธแต่มันเข้าไปในความคิดนี่เห็นเออมันกำลังจะโกรธแล้วนะอ่ากำลังหงุดหงิดแล้วนะกําลังไม่พอใจนะเนี่ยมันคือลติที่มันสําคัญมากนะตรงนี้มันจะไม่เข้าไปในอารมณ์ต่างๆนะเพราะทุกอารมณ์มันก็คือเลข5ทั้งหมดเลยนะ ความรักความชังความชอบทั้งหลายก็คือเลข5หมดแต่เมื่อเราเห็นเลข1หมดมันก็ไม่เข้าไปจิตมีกําลังกุ้มมันตัดพลว่เลขหนึ่งกลับไปเป็นเลขศูแล้วนะก็กลับให้เป็นปกติงเกา่าจิตก็เป็นปกติได้เราไม่ได้ไปบังคับให้ปกตินะแต่เมื่อเรารู้ทันก็จะเป็นปกติได้เองอตรงนี้มันมันมีประโยชน์มากเพราะว่าจากการที่เรามีนิสัยไม่ดีที่มันเป็นนิสัยกิเลสที่เราสร้างมานับภพบนับชาติไม่ทัว่วแต่เราไม่เคยรู้ว่ามันจะแก้อ ย, อย่างไร มันจึงเป็นรูปใสหรือเป็นสันดานที่ติดตัวเรามานะมันก็จะสร้างภพสร้างชาติต่อไปให้เราเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดตรงเนี้มันเราไปห้ามไม่ได้อย่ามีความโกรธนะอย่ามีความรักมีความชังนะห้ามก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าจิตเขาทํางานเขาเองนะมันไม่ใช่เราจิตเป็นภาวะที่เขาทางานของเขาเองนะจิตมันเป็นภาวะที่มันเป็นไปตามที่เรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วเขาก็รับรู้ตามนั้นแล้วก็สร้างกรรมไปเรื่อยเพราะเรารู้ไม่ทันแต่เมื่อเราเริ่มรู้ทันแล้ว กำลังจะโกรธกำลังจะรักกำลังจะชันมันจะมีตัดตัดในให้สั้นลงในหละจริงๆแล้วมันคือการตัดภพตัดชาติให้เราไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดยาวนานนะเพรามือมันเริ่มสั้นลงสั้นลงมากกว่าเราเคยโกรธยาวๆนะมันจะเริ่มสั้นลงสั้นลงอีกหน่อยเพราะรู้ทานผู้มันดับไปเลยเนะี่ยตรงเนี้มันเป็นการดับภพบดับชาติในตัวนะั้นคือมันเป็นการตัดภพตัดชาติให้มันสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆนะมันคือสภาวธรรมอย่างหนึ่งที่เราว่ามันเป็นการพัฒนาจิตหรือเป็นการพัฒนาจิตวิญญาาณเร เข้าสู่ความคับทุกข์โดยตรงนะเพราะตรงนี้เราไม่ได้ไปพิสูจน์ที่ไหนนะเหมืนคนว่าโอ้ดาวังคารมีไรต้ทะเลมาตรวัมีไรอันนั้นไม่จําเป็นรู้ไหมว่าจิตเรามีไรนะสําคัญกว่าไงนะจิตเรามีไรเกิดขึ้นจิตเราเป็นอย่างไรนี่มันสําคัญมากกว่าเพราะนี่แหละมันมันเป็นการดับทุกข์โดยตรงนะนะมาไปรู้ภายนอกมันไม่ได้ดับทุกข์เลยเลยนะมีแต่ทุ ก, กข์มาคือเรื่องเสียเงินไปสารวจอะไรเยอะแยะแต่กลับมาลู่ในใจเราเนี่แหละเออตอนนี้เป็นอย่างไรนาะ รู้ไวปุ๊บมันก็ดับไวแล้วเราสังเกตอาการอย่างนึงได้ไหมว่าสภาวะต่างๆนั้นเข้ามาแล้วก็ไปเขาเกิดแล้วก็ดับเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองใช่ไหมเราเห็นอารมณ์นะความโกรธนี่ยมันเป็นของชั่วคราวนะมันเกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปเป็นของไม่แน่ไม่นอนตรงนี้เมื่อเราเห็นตรงนี้ปุ๊บมันเรียกว่าเกิดปัญญาแล้วคือเราเริ่มเห็นความไม่เที่ยงเงอารมแล้วนะเห็นทางเนี้ยอารมณ์อะไรก็แล้วแต่นะความรักก็เหมือนกัน ความโกรธก็เหมือนกันความพอใจดีใจขนาดไหนมันเกิดแล้วก็ดับมันมาแล้วก็ไปเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงเท่านั้นแหละเนี่ยมันเห็นความไม่เที่ยงมันเริ่มเกิดปัญญาแล้วโอ้เป็นของไม่เที่ยงเลยนะจากความเมื่อก่อนที่เราดีใจโอ้ใครมาชมเรามาสรรเสริญเราเราก็ดีใจนีมันเริ่มเห็นความไม่เที่ยงแล้วมันก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาความดีใจเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วอ ความชอบใจก็ผ่านไปแล้วมันก็เริ่มวางได้เร็วขึ้นมันเห็นเป็นของธรรมดานะมันไม่ได้เป็นของถาวรอะไรนะหรือความโกรธเมื่อก่อนเรารู้สึกมันเป็นมีความทุกข์มากแต่เราเห็นเนาะอันนี้มันก็มาแล้วก็ไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดแล้วก็ดับเนี่ยมันเห็นเป็นเรื่องธรรมดามันก็เลยไม่ได้โกรธมากอะไรก็รู้ทันก็ไม่เป็นไรด่าก็ด่าไปนะมันก็ไม่ได้ไปยึดอะไรมากเนี่ยแค่เราเห็นความไม่เที่ยงนะจิตก็เริ่มปล่อยละใช่ไหมเริ่มปล่อยแล้ว ในมเมื่อเราพิจารณาไปเองโอ้ความไม่เที่ยงเกิดจากไรเกิจาการที่เราบังคับก็ไม่ได้นั่นเองใช่ไหมถ้าเราบังคับก็ได้โอ้มันดีใจก็ได้ดีใจนานๆนะมีความสุขก็น่าจะมีความสุขนานๆมีความรักก็น่าจะรักนานๆหรือรักตลอดกาลถ้าเราบังคับก็ได้ต้องให้จิตเรามีความสุขตลอดกาลนานนะเราก็ทําไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก็มาแล้วก็ไปความสุขแป บ, บเดียวท่านนึงก็ไปแล้วใช่ไหมเ <laughs> นี่ยมันเห็นเออมันบังคับไม่ได้นี่นะใช่ไหมอ่า ความโกรธเหมือนกันนะมังกนโกรธแล้วมันไม่ไม่ชอบใจแต่กลับมาเห็นโอ้ตรงนี้นะเราบังคับก็ไม่ได้เขาจึงมีความโกรธถ้า เ, เราบังคับก็ได้มันน่าังไม่โกรธนะนะมันก็ยังโกรธอยู่เนี่ยเราบังคับก็ไม่ได้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เห็นว่าโห้สภาวะต่างๆนั้นมีได้เกิดแล้วก็ดับมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความไม่น่า ไ, ไ, ไม่ น, น, นอนบังคับบัญชาไม่ได้ตรงเนีมน้มันเป็นเกิดปัญญายนะเกิดปัญญาตรงนี้มันก็รู้สึกว่าสภาวะต่างๆนะมัน มันบังคับไม่ได้มันจึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะตรงนี้มันจะเกิดปัญญาถ้ไม่ตัวไม่ตนของเราแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรมันความยึดถือในตัวตนเรามันก็เริ่มปล่อยเริ่มคลายเริ่มลดลงมันก่อนเรายึดนี่เป็นตัวเราร้อนะมันจะรู้สึกว่าตัวเราใหญ่ตัวเราใหญ่ตัวเราดีตัวเราเก่งใครจะมาว่าเราไม่ได้ใครจะมานินทาแล้วไม่ได้ใครเจอเราต้องสวัสดีต้องทักเรานะต้องดีๆกับเรา ต่อไปเมื่อความยึดถือในตัวตัวเราลดลงไปแล้วมันก็เลยคายออกจากความยึดมั่นถือมั่นนะมันก็เลยคลายจากตันหายไปด้วยนะเราก็เลยไม่เป็นไรใครจะมาทําไม่ดีกับเราบ้างก็ไม่เป็นไรนะมันไม่ในตัวเราแล้วมันก็เริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มไม่ยึดติดเริ่มคายออกนะตรงนี้มันเป็นประเด็นสําคัญหรือว่านี่แหละเป็นการละสักการะที่ในตัวนะคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราลดลงไปแล้วเนี่ยสักการะที่ก็คือกิเลสตัวใหญ่นะตัวนี้มันก็เลยลดลงไปด้วยลดไปด้วย เราจะสังเกตได้อีกอย่างนึ่ว่าเออความทุกข์เราก็ลดลงไปแล้วนะนะความยึดมั่นมันก็ลดลงไปแล้วเนี่ยเนี่มันเป็นหนทางการพ้นทุกข์แล้วนะเพราะว่านี่มันเป็นก้าวว่าสู่การที่เราละสังโยชน์ตัวแรกได้แล้วนะหรือละได้บ้างแล้วเนี่ยหลังนั้นมันจะก้าวเข้าสู่ความเป็นพระยาเจ้าได้ไม่ยากใช่หไหมตรงนี้มันก็กลับมาเห็นความจริงว่าเอออย่างที่เราสวดมนต์ตอนเช้านะพระวิจารณ์บอกไว้แล้วว่ารูปเวรนาสัญญาสังขารมิญญาณรูปังนิจจัง ใช่ไหมเวทนานิจจาสศเพสั่งฆ่าร้ า, า, านิจาสศเพสั่งฆ่าร า, าทุกขาสศเพธรรมานตานะสังขารทั้งหลายมีแต่ความไม่เที่ยงนะสังขารทั้งหลายมีแต่ความทุกขนะ์ทำทั้งหลายเป็นอ น, นัตตาใช่ไหมตรงเนี้ยเราสวดกันประจํากับทุกวันอยู่แล้วนะีตรงนี้มันจริงๆพระพุทธเจ้าชี้ไว้ตรงนี้แล้วนะอยู่ที่ว่าเราเห็นไหมนะเราเราสังเกตได้ไหมเราเข้าถึงไหมนะ ถ้าใจเราเข้าถึงในตรงนี้แล้วนะเออร่างกายจิตใจนะมันเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นความทุกข์ที่เรียกว่ามีแต่ความแปรปรวนนะไม่อยู่ในภาวะเดิมนะมีแต่การที่เรียกว่าเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะมาแล้วก็บังคับเขาไม่ได้นะตรงนี้นะมันกลายเป็นการสวดมนต์ก็จริงแต่ถ้าเราไม่เห็นมันมันกลายเป็นนกแก้วนกขุนทองนะมันจิตไม่ได้เกิด ปัญญาไม่ได้นิดเดียวนะแต่เมื่อเราเห็นบ่อยๆจากการเราฝึกเจริญสติเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงไหมใช่เมื่อวานนี้ปฏิบัติแล้วมันดีนะเมื่อวานนี้มันมีความรู้ตัวตลอดทั้งวันวันนี้มันไม่ไม่ดีเลยนะความรู้ตัวมันหายไปแล้วบางคนก็ไม่เข้าใจในความไม่เที่ยงก็มีความทุกข์เออเราแย่แล้วเราไปฏบัติไม่ดีเลยนะบางทีไม่ใช่แค่บางสองวันนะเป็นปีก็มีนะปฏิบัติมา5ปีเออมันทํำไมไม่ดีนะไม่ดีถาวรนะมันไม่ ไม่มีสติตลอดเวลาเราก็มีความทุกข์แล้วแต่ทําไมก็ไม่เห็นว่าเนี่ยพอเราบังคับเขาไม่ได้ก็จึงไม่เที่ยงนะเขาสแสดงความจริงในพระไตรลักษณ์มากกว่านะคือแทนนี่เราจะมีความทุกข์ว่าเราไปบัตไม่ดีแล้วกับมีปัญญาขึ้นมามานะปัญญามันเกิดมันไม่เที่ยงเนี่ยสแสดงเราเห็นเราไม่เที่ยงแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นภาวะอย่างหนึ่งที่ว่ามันสแสดงไตรลักษณ์ที่เราเห็นนะก็คือเมื่อเรารู้สึกวมันจ ะ, สะแสดงว่ไตรลักษณ์เราเห็นไม่ใช่ท่องแบบนกแา้วนกบนทอนนะแต่เราเห็นความจริง หรือเราเดินยังกลมนี่แหละเดินเดินอยู่ก็มีความคิดแวบหนึ่งแปบหนึ่งแปบหนึ่งเราเห็นไหมว่านี่เราบังคับก็ไม่ได้นะเขาจึงมีความคิดเรื่อยๆื่อยเรายังไม่รู้อะไรอีกนาทีข้างหน้าเขาจะคิดอะไรนะถ้าเป็นเราคิดเราต้องรู้อีกนาทีข้างหน้าจะคิดอะไรนะหรือต้องบังคับมันไม่คิดได้แต่เราเดินยังกลมแล้วก็เห็นเออมีความคิดแว๊บไปนะแป๊บนันนี่แหละเนี่ยเราเห็นแล้วเราบังคับก็ไม่ได้นะะเป็นภาวะที่เราบังคับไม่ได้เขาจึงไม่ให้ตัวไม่ตนของเราเนี่ยเพราะการปฏิธรรมทั้งหมดนะไม่ว่าจะวิธีใดก็แแล้วต่ จริงๆแล้วเพื่อเห็นมันตายหลักเท่านั้นเองหเห็นมันไม่ที่ยังเป็นทุกข์นาตาเมื่อเห็นตรงนี้แล้วจิตก็จะเกิดการปล่อยการวางการม่ติดการคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นการละคายสักการิธิโดยตรงเป็นคนทางความพ้นทุกข์นะเพราะคนกรรมธรรมเราจึงไม่ไ ม, ไม่ได้ปบัติเพื่อให้เข้าดีไม่บัติเพื่อเข้าดีนะ <c oughs> ถ้าไปบัติเข้าดีนะแสดงของเราไม่ทุกต้องแล้วเพราะว่าใจมันเป็นการปฏบัติด้วยตันหา <c oughs> แต่ต้องบัตรด้วยความเป็นกลางก็คือเห็นความจริงความจริงคืออะไร ความจริงคือเขาจะดีก็ได้เขาก็ไม่ดีก็ได้นั่นแหละแสดงว่าเราบังคับเขาไม่ได้แล้วก็จึงเป็นเช่นนั้นนะเมื่อเห็นเช่นนี้ด้วยความเป็นกลางแล้วจะเห็นสภาวะจิตที่เขาทางานเองนะเขเป็นเช่นนั้นของเขาเองไม่ใช่ตัวตนของเราห <c oughs> ลังจากจิตก็จะเกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดจิตก็จะเข้าถึงความพ้นทุกข์คือสิทธิที่สูดแห่งทุกข์ได้แล้วก็นั่นแหละเป็นการตัดสังสารวัตรที่เราจะต้องไม่ไปเวียนว่ายตายเกินใหม่เนาะตรงนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วหนทางปฏิบัติมันก็ไม่ไกลนะอยู่ตรง อยู่ตรงหน้านนเนั้นี่แหละเ็คือการรู้ใจนนี้เท่านั้นเองนะถ้าเรารู้การรู้ใจขนท า, ยยางการดับภพบรักชาติหรือว่าการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะจบไปแล้วนั่นก็คือเราก็ถึงพนิพพานเนาะว่าในท้ายที่สุดนี้ขารัธนาบา ร, รมีคุณพระนตรตกลยน้อมนำทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพานุท่านเถิด <c oughs> 好了哈。